พุ่งซ่านลำคาญใจขัดแย้งกันในทีเนี่ยเยอะแ ย, แ ย, แยะแยเออนนะลยลว่อา อ, าาอ๋อยนนอยู่แล้วก็ก็ถ้าทำได้ก็ดี ยอมพิจยาทำได้ป่ะนี่ถามทุกคนด้วยเนี่เนี่ยพอถามยอมพิจยาเนยทุกคนที่นั่งใกล้ๆด้วยนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่เวลากุศลกำลังเกิดแล้วมีบาปมาแทรกบ่อยไหมบ่อยไหม <c oughs> ไม่ค่อยบ่อยนะเวลาไปเจริญกุศลแล้วลูกหลานทั้งบ้านนี่ตัดลืมในใจไปหมดเลย้วโอ้โหสบาย แก็สบายเลยดงั้นเป็นบุญแล้วเป็นบุญแล้วตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยประการต่อมาไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เรียกฝึกใจิตให้คุ้นเคยประการต่อมาก็คือตรงนี้สิ่งแวดล้อมนี่แหละใช่ไหมเราจะทำสถานที่ให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อบุญได้ไงใช่ไหมห้องนั้นที่อยู่สถานที่ตรงนั้นที่เาเรียกปฏิรูปประเทศเนี่ยลราจะทำยังไงใช่ไหม พรถ้ามีปฏิรู ป, ปรทิประเทศที่ไหนไปนเสร็จแล้วก็จะมีบัณฑิตอยู่ใช่ไหมมีบัณฑิตอยู่แล้วก็ได้ฟังได้ฟังได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้โยนิโสตรงนี้ก็จะมาเกื้อหนุนต่อปัญญาแล้วแต่นี้ที่ก็คือว่าเมื่อวานได้ยกถ้าเราบอกว่าได้ดอกไม้ใช่ไหมถ้าเรามองอย่างนี้นะได้ดอกไม้ที่บอกอย่างเมื่อวานเนี้ ดอกไม้สีงดงามนึกถึงอะไรถ้าจะกรณีอย่างนี้นะว่าถ้าหากได้ดอกไม้ดอกไม้สีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็นึกถึงการปารบบูชาใช่ที่บอกว่าถ้าเอาสีเป็นประธานมีสีแดงสีทองสีอะไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็ปารอบว่าพระชวิวันของพระบรมศาสดานั้นเปล่งปลังด้วยรัศมี เพราะฉับพันใรังสีคือสีทั้งหกเป็นต้นใช่ไหมพอมาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเริ่มมองเห็นว่าเราจักเอาดอกไม้ดอกนี้ที่มีสีงดงามบูชามาหาบุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปล่งรัศมีเพราะมีสีวันนะสีทองใช่ไหม สีทองเป็นต้นนี้เปล่งออกมาจากพระวรากายเพราะสภัญยุตยานอนาวรณญญ า, าอินทรียปรโรปริยัติยานของพระศ า, ศาสดาซึ่งกําลังโลดแล่นในการเกิดดับตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในธาตยวัตถุของพระผู้มีภาคเจ้าคือกระแสจิตธรรมชาติกระแสใจกระแสใจของพระบรมศาสดาต้องผ่องใสเพราะพระศาสดานั้นมีพุทธญาณกว้างขวางและมากมาย จากใจที่ผ่องใสนั่นแหละขับเน้นทำให้หัเยวัตุผ่องใสมหาพุทธรูปที่เป็นที่ตั้งของหัถเยวัตุก็ผ่องใสอุปาทายรูปใช่ไหมสรุปก็คือรูปประกายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นของพระบรมสาสดาที่อยู่ในพระวรากายของพระบรมสาสดานั้นก็เปล่งปลั่งด้วยรัศมีสีทอง ฉะนั้นเรามีของที่งดงามมีดอกไม้ที่หลากหลายหลากสีเรามีผ้าที่มีสีทองอย่างนี้เป็นต้นเราต้องการไปหอมพระวรากายบูชาบูชาอะไรบูชาพระคุณของพระศาสดาบูชาพระคุณในที่นั้นก็คือพุทธคุณทั้งหลายพุทธยานทั้งหลายนั่นเองที่ประชุมพญานของพระบรมศาสดาทั้งหลายมีอะไรใช่ไหม พระกายของพระาศาสดาก็คือพระเจดีพระกายของพระาศาสดาก็คือเจดีทองทําไมเขาถึงตั้งทํ า, ทาเจดีทองเขาไว้ผองอัภัยอย่างเช่น เ, นเจดีวัสเกตเนี่ยทําไมออกสีทองอย่างนั้นใช่ไหมเจดีวัสเกตเพราะสีทองอย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องการประดับสีทองและใช้ทองคําทองคํานั่นนะประดับพระวรากายของพระาศาสดาเพื่อบูชาอะไร บูชามหาปุริสละขนาะของพระศาสดาและนุพจัญชนะแปดสิบในพระเจดีย์นั้นคือคือพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากประเทศอินเดียไงที่ทางรัฐบาลอินเดียเขามอบถวายราชการที่ห้าสมัยที่ขุดค้นพบเจอใหม่ๆ ใ, ใช่ไหมจากกบิลพัทนั่นแหละแล้วก็มีข้อตกลงใช่ไหม ถวายกับพูชาเวนดีนว่าถวายเป็นจานวนเยอะนะบอกว่าถ้าประเทศใดที่เป็นพุทธศาสนามีความประสงค์จักต้องการก็ขอได้ก็ให้ใ ห, ใ, หให้ด้วยครับไม่ให้ห่วงไว้เห็นไหมอันนั้นตามเป้าหมายเลยว่าตามเป้าหมายก็คือว่าธรรมดาพระบรมศาสดาจักต้องไปโปรด<ม>ใช่ไหม เวนัยศาสตร์ของท่านใช่ไหมทั่วไปฉะนั้นใครจะมากักเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวไม่ได้ท่านในประเทศไทยไม่มีพุทธบริษัทไม่มีพระธรรมของพระศาสดาไหลออกจากพระบ ร, รมสารีเดกะธาตุนะเสมอเหมือนอย่างนั้นนะถ้าไม่สามารถไหลาจากเข้าสู่กระแสใจของภิกษุสมมเนยุบาลสุบาสิกาแล้วก็ไหลออกไปสู่บุคคลอื่นทั่วไปคือธรรมจักถ้าไม่หมุน เก่าคือศีลสมาธิปัญญาคือทานศีลภาวนาถ้าไม่หมุนเข้าสู่กระแสใจของชาวพุทธ <c oughs> ก็แปลว่าตอนนั้นนะพระศาสดาสเสด็จไปแล้วไม่อยู่แล้วใครจะไปเก็บไม่อยู่พระศาสดา ก, ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่สถานที่ ท, ท, ที่มีเราผู้มีศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นตรงนี้เราท่านทั้งหลายถ้าตราบใดเราทาศรัทธาของเราให้เสียไปเนะี่ยพระศาสดาจากสเสด็จหนีเราเองนะอย่าลืมนะ เพราะพะศ า, าสดาจะเสด็จไปหาบุคคลที่มีศรัทธามีคนเชื่อมั่นใช่ไหมถ้าเราไม่เชื่อมั่นในคุณของพระศ า, าสดานะในส่วนจริงๆพระศ า, าสดาจะไม่โปรดเราเนี่ยเราก็มาพิจารณาอย่างนี้เราในฐานะว่าเราไปบูชาพระศ า, าสดาเนี่ยทำไมต้องบูชาเพราะจิตที่คิดจากบูชาเป็นมหากุส ญ, ญาณนสัมยุทธอสังคาริกที่ประกอบด้วยปัญญาใช่ม ฉะนั้นมหากุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็มีความตั้งมั่นในคุณของพระาศาสดาอย่างมุ่งมั่นเน่ยตรงนั้นเนี่ยมีความเชื่ออย่างมั่นคงอ่ะเชื่ออย่างแนบแน่นที่เกิดขึ้นนในคุณของพระาศาสดานั่นเองความปักใจเชื่อเขาเรียกอย่างเด็ดเดี่ยวอ่ะแล้วก็ทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนเองให้ให้ถึงความเด็ดเดี่ยวดุจทหารกล้านั่นแหละดุจทหารกล้านั่นแหละเกิดขึ้น กรณีอย่างนี้ก็คือว่าไปบูชาลักษณะอย่างนี้การน้อมจิตการพิจารณาเป็นต้นเป็นไปตามลำดับอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นทานนกุศลนะจิตที่คิดจะบูชาที่เป็นไปอย่างนี้เป็นทานนักุศลนะงั้นดอกไม้ก็ดีผ้าก็ดีเนี่ยที่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะจัดว่าเราจะเราน้อมอะไรน้อมสีเป็นทาน จึงนำเอาขึ้นไปหมหรือนำเข้าไปบูชาพระเจดีเนะนี่ยเนี่ยมหากุศลเช่นนี้ก็เกิดขึ้นเนะี่ยอันนี้เป็นทานนามัยถ้าหากบุคคลได้รับวัตถุนะมีดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้เพื่อจะไปบูชาพระตนะไตรดำริว่าการให้ทานการบูชาเนี่ยเป็นวงตะกูลเป็นแบบแผนเป็นตะกูลเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกา มีเจตานาในการที่จะเอาไปนี่นะในการที่น้อมที่จะไปส ก, การะไปบูชาเนี่ยลักษณะนั้นนะ่พิจารณาถึงอะไรพิจารณาถึงแบบแผนถึงวงตระกูลใช่พุทธบริษัททั้งหลายต้องบูชาพระศ า, าสดาลักษณะอย่างนั้นเจตานาเหล่านั้นเป็นศีล น, นี่เป็นศีลแล้วนะเมื่อใดบุคคลบูชาพระรัตนตรยัยด้วยวัตถุมีดอกไม้เป็นต้น ถ้าเป็นในส่วนของมีพุทธคุณเป็นอารมณ์นะมีความตั้งมั่นในคุณของภาษาสดาเกิดปลามวดปีติปสัสสติความสุขจิตเป็นสมาธิในขณะนั้นเนะี่ยอันนี้เป็นสมาธิภาวนานะถ้าเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปโดยดำหริว่าสีนี้สีดอกไม้นี้เข้าถึงความไม่เที่ยงนะมีความแปลปวนเป็นธรรมดาไหม ถูความเกิดและความดับเบียดเบียน บ, บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือทันทศัศคือโทษทั้งหลายมาคอยโจมตีอยู่ตลอดเวลาในสุวนจริงก็เศร้าหมองนี่เป็นทุกข์บังคับไม่ได้ให้อยู่ในสภาพเดิมนีม่เป็นอนัตตาคอนโทวนไม่ได้เห็นสภาพสีเหล่านั้นนะ่ะปารบเข้าสู่กระแสรู ป, ปากายของตอนเองเป็นต้นเหล่านี้นี่เจริญวิปัสสนาเป็นต้นเป็นไปอยู่อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาภาวนาอันนี้คือภาวนาใหม่ สรุก็คือทานอกุศลจึงจําแนกเป็นกายกรรมในขณะที่กาลังดําเนินไปเดินไปอยู่นะดเ็เรระดาเดินไปถือดอกไม้ล้วเดินไปเดินไปก็นิ่งๆใจก็น้อมเพื่อจักไปบูชาใช่ไหมจักไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยมือของตนเองน้อมเดินไปในลักษณะอย่างนี้นะใครควรพิจารณาไปเพื่อจะบูชาสี เอาสีเนี่ยเป็นบูเป็นเอาสีเนี่ยเป็นบูชาพระรัตนตรายเอาเสียงเอากลิ่นเอารสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์เสียงที่เกิดจากดอกไม้ทั้งหลายที่มีการกระทบกันหรือเสียงจากเกิดจากผ้าทั้งหลายที่ลมมาพัดทั้งหลายใช่ไหมเอากลิ่นหอมของดอกไม้ที่มีการปราบพรมน้ําหอมเป็นต้นเพื่อจะบูชาพระผู้มีภาคเจ้าละก็รสใช่ไหมละศาก็คือต้องการที่จะน้อมธรรมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่เข้าสู่ประชุมกระแสใจก็ได้ โพธพะก็คือว่านั่นแหละเย็นร้อนทั้งหลายที่เกิดจากสัมผัสต่างๆเหล่านี้ธรรมารมธรรมารมก็กลุ่มอาโปาธาต์ที่มีการยึดโยงกันอยู่ของดินน้ําไฟลมที่สมมุติว่าเป็นดอกไม้สีกลิ่นรสโอช า, าธาต์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกกันแล้ดอกไม้ดอกไม้ในที่นี้ตัวสภาวะธรรมารมทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำอันนั้นก็เป็นบริวารไปน้อมเดินไปในลักษณะนี้เขาเรียกกายกรรมที่เป็นทานกุศล วัจิกรรมที่เป็นทานกุศลในขณะที่บูชาพระตนะไตรยก็สั่งเลยนะบอกเลยท่านทั้งหลายอันนี้เป็นวงตระกูลเป็นจารีตเป็นแบบแผนนะเป็นข้อปฏิบัติใช่ไหมท่านทั้งหลายจงทําศีลเจตนาเนี่นะให้เป็นใช่ไหมเจตนาศีลเน่ยเจตนาศีลโดยการเป็นอะไรเป็นจารีตศีลเป็นจารีตเป็นประเพณีของชาวพุทธว่างั้นนะ น้อมจิตไปในการที่จะบูชาในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายสาธยายไปด้วยนะอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าจีกรรมที่เป็นทานอกุศลเนี่ยว่าจีกรรมที่เป็นทานกุศ ล, นรรนนศลในขณะเดียวกันถ้าไม่ทํากายกรรมว่าจีกรรมนั้นให้เคลื่อนไหวใช่ไหมนั่งนิ่งๆ น, นั่นแหละก็ประนมมือละลึก น้อมเอาสีเป็นประธานในการบูชาพระตนตรยัยเสียงกิ่รสโพธิภะแล้วก็ธรรมารมณ์เป็นบริวารอันนั้นเป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลทำได้ไหมแบบเนี้ยอันนี้ในชั้นทานกุศลนี่เดินอย่างนี้เขาเดินไปในลักษณะอย่างนี้พอจะมองเห็นเงี้อ้าวลองเดินหน่อยที่เดินทานกุศลแบบนี้นิดหนึ่ง ยากไหมเงียบเลยอันนี้นะอันนี้เดินทานกุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมและกัมนโนกรรมที่เป็นทานกุศลยากไหม อันนี้เอาทานกุศลก่อ น, อ น, นเขาจะได้ขึ้นขึ้นศีลอันนี้ทานกุศลอ๋อจะพักก่อนใช่ไหมอ่นนาจะพักก่อนไปไลองไปตรึกทานกุศลใหม่นะ อ๋อยากไหมเวลาคิดในเรื่องทานบุศลยากไหมไม่ยากที่เป็นทานบุศลก็เสียงถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้พูดในชั้นทานก่อนนะเราจะใช้เสียงนี้ที่เกิดจากอะไรห้ามห้ามห้ามให้จิตเป็นโลภะโทสะโมหะนะ โดยการทำจิตให้เป็นไปกับกุศลน้อมระลึกแล้วก็ถวายเสียงเป็นพุทธบูชาเราจะใช้เสียงนี้ถวายเป็นพุทธบูชารมบูชาสังข้าบูชาอันนี้ ว, ว่าจีกรรมเป็นทานกุศลนี่เป็นทานกุศล ว่าไงอ่งนนอนใจแล้วมึงเป็นผู้กฤษทานน ะ, <า>ะนี่ก็เลยผู้กฤษทานนะอ้าวไปเปิดดูสิ ลปลาลบยังไงน้ำถวายเสียงเป็นทานได้ไหมนี่ท่านดื่มนนะ้ำ<อ>ใช่ไหมเป็นปจยยัจจัยแห่งการกลาววราทำไ เห็นไหมให้เสียงเป็นทานด้วยเห็นเป็นได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยให้ทําอารมณ์ได้ไหมน้ํามีวิตามินไหมทําให้กระชุ่มกระชับไหมล่ะไงนั่นไงให้ทําอารมณ์เป็นทานให้สีได้ไหมเสียงก็ได้แล้วนะกลิ่นมีด้วยใช่ไหมรสก็คือได้ด้วยใช่ไหมรดน้ํามีสัมผัสก็มีทําอารมณ์ก็คือนั่นแหละวิตามินที่เกิดจากน้ําทั้งหลายเนี่ย นี่แหละสดชื่นมีกําลังน้อมพระเพื่อกระทบพระรัตนตรยัยใช่ท่านตัวเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยไงน้อมยังไงตัวแทนพระรัตนตรยัยเป็นทูดนะ่ะไหมเป็นทูดของพระรัตนตรยัยหาประมาณมีได้น้อมถวายสงเนี่ยแค่เนี้ยน้อมถวายสง ไม่ใช่บุคคลเจอนะอย่างนี้เถวายไม่ใช่บุคคลเลยน้อมถวายสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไงทานก็คนเขาถวายน้ำแล้วเขาบรรลุได้นี่พวกเราเป็นปริมาณของบุญการข่ายควรเนี่ยมันขาดขาดตรงนี้ไปไง ก็น like so so e ี่ครับคนทุกกันได้เพราะอย่างนี้เราก็ฝึกอย่างเงี้ยแต่ท่นใจบอกให้เราวันลี้จะเข้าไม่เข้าหรอกตะไわりน้ำที่ไปเข้าทิ้งหมดสิบห้ยังไม่รู้เวลาเลย ผมคงไปน่าจะไปถึงนู้นตอนเย็นนะน่าจะออกเช้าด้วยมังม้งเนี่ยใจฉันเช้ า, ชาเสร็จน่าจะออกเนี่ยนี่กำลังคิดเรื่องเห็นว่าค่าใช้จ่ายมันดีดขึ้นอีกหรือเท่าไหร่เนี่ย ผลดีขึ้นอีกเท่าไรหรือจะไม่ลดอัจจัยเพราะช่องไปก่อนไงค่าใช้จ่ายอะไรก็ดีพวดขึ้นมาก็เลย พูด plate น หลายวันนี้เน่ยที่เธอมาใช ใช่ใช่ไหมปลายะจะเป็นงั้นเลนะเาวริเหมือนอย่างนี้ภาษาบุรถามขปุ่นตานีเ่องวทธิเจรามภบตรรู้เรื่องิสุทดเลาข้ามปุ่นาันี่เยให้ให้ไปถามคำถามวยาิเจร่เอาอย่างไดนนี้กล่าวว่าเป็นอะไระรับอะไรนถามโาอยู่ถามเพื่อส่องสว่างสุตวเองไม่เห็นอย่างี้ตรนี้มีอย่างเดียวผมถามนี้าอย่างเดียวะโมพานะไปสว่าง เธอทะบุญอะไรตู้ลึกมากแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรนไมใจเพราะว่าไปอ้างของท่านสมรักอะไรครับท่านสมรักท่านขอท่านสมรักเขาไปอ้างท่านสมรักอ๋อมีไปอ้างตรงนั้นขึ้นมามันเป็นหลักฐานแน่นมันเป็นที่นี้เลยน่าจะไม่เป็นตรงนี้ล้มป่ะไม่ใช่ล้มจิตพิมพตอนแรกตามนี้ฉี่ป่ะ แล้บหมอเป็นน่าจะเป็นเช่นเีนิฐานบวงก็เลยอยาอักเสบมาให้าอักเสบยายกลงแต่ก็ดีขึ้นนะยาก็เริ่มัไม่เจ็บอ่ะบางทีก็ยังตนวเดกเจเดือดอุินั้นหนักตัวเยอะด้วย คือทำย่ำแยเหมอ ที่เกิดในยุคครูจเจ้าด้วยนี่หูฟังทำตลอด จะดเช้นี่ยไปดูีนึสงสัยมันหมดแล้วน่นจะไปสงสยัยอะไรอีกตรงนี้ชัดเลยเคือเรียนไฟเรียนมามันมึนเองอยู่บริเขตสามีมันเป็นมึนเองมื่ไปเจอกระสุนเข้าไปมึนเองหลักเก่ามันลอยเนี่ยเรียนเรียนไปแล้วหลักมันลอยเวลาอยู่มีอะไร ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แค่นั้นจบเลย <c oughs> นี่เป็นเป็นนึกว่าอภิรยาจึงสงสัยเรื่องเรื่อง คติทานายเขาเองนะโหยุ่งเลยยุ่งแล้วยุ่งแล้ ว, ล ว, ลวไม่ไปสงสัยอะไรในโลกสวรรค์นี่ปิดแล้วไม่สงสัยเลยท่านใช้คําว่าไม่ต้องเชื่อใครเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องเชื่อใครเลยนม่ <c oughs> ไปสงสัยอะไรเลยนี่ทิฏฐิท่านตรงแล้วท่านที่ถือท่านตรงแแสดงว่าพลาดเองนะ มันมึนไงว่าค้นกันไปค้นกันมาบุรุษชนลืมหน้าลืมหลังกันอยู่นี่เลยไม่ใส่าอ้า ม, ม แ, ลแล้วเกิดถ้าไปบันทึกเทือขึ้นมาต้องแก้ไขนะแงแ ก, กอ้อย่างเมื่อกี้อ่านในนี่ยอ๋มีผลมากมีอันิสมไม่มากแต่มีมีผลไม่มากอันดีสมไม่ใช่คือในหลักของหมามกุกทั้ง ถ้าตกเลขไว้ว่าฉบับพม่าเป็นแบบนี้จริงๆนะมหาุามางัหาาไม่มีาาิสังสมาือในคู่กันหมดแล้วก็ตามฉบับพม่าค่าของของไทยเน่มีเป็นเออนั่นเลฉะนั้นเขาก็ตกเลขไว้ถ้าพม่าเป็นแบบนี้ ที่เป็นอะไจะเป็นผู้ปฏิบัิมากกว่าอย่นี้ใช่ไหมมันเป็นเวเวอร์เจน่าเลยจุลนิเทศเลยนะเหมือนเหมือนจุล Thank you. เงินนะดูอ๋อำหลีว่าเดี๋ยวมันต้องหายเลยไม่เล่นจำหลีอันนี้ดักรอมันนี่เน เมื่อวานนี้มาไมยอมก็ขอยีวอนมาชุดสองชุดสิบห้า ปวดน้อยนะปวดไม่กี่วันเนาะไมบวดน้อยอย่างที้นะทำงานเลยทำงานเลยก็ว่าอยู่กับเพื่อนอะรักแบบว่าไปคมกลุ่มลเพื่อนอะครับจะไม่ไม่ขอเพือ่อนสักเดือนน คืพอดีโยมเป็นแกนหลักอีกคนนึงด้วยครับกลัวว่าถ้าไปเรื่อยๆมันจะล่มี่จะไม่ล่มง่ายกันนะเนะื่งวางแผนอะไรล่มง่ายกันะนะนื่อคือเหมือนว่าโ ย, ยมยังยังไม่ได้กะเตรียมว่าจะบวนมันเกิดเหตกระทันหัก็เลยบวมอ่าจะไมทาไ ม, าไมเป็นอย่าง น, นี้มาข้าไปนะครับทำไมไปเกิดเหตุาา<ว>กระทันหันาะโยมคอยยม่เม่สิฮึมโอจะยิงก่อี พ่อแม่เนี่ยจะสำคัญกว่าทุกอย่างทำไมให้แค่แ ค, แค่แค่ไม่กี่วันถ้าถ้ามาเนี่ยถ้าพ่อแม่เสียเนี่ยมาจะต้องบวชให้สามเดืนอนพัละรักพ่อแม่ไหมแล้วอะเป็นเอางี้ตอนอยู่ในครรภ์ของแม่เนีีย่ยการถึงแล้วเราให้เป็น ก็ปแปลกมากนลยงคิดอยู่ที่ก้าเดืมททำไมเราว่าเราเป็นบุรุษเป็นบุคคลที่เราคิดถึงแลารักมากที่สุดแล้วประกบประหมนมเรามาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยเราได้มาจากตรงนั้นนี่ามาก็ปแปลกนะคนในยุคนี้กับคิดถึงเพื่อนคิดถึงร้านคิดถึงสิ่งอื่นมากกว่าก ว, าว่าพ่อ แ, นะแม่ มาเคยเห็นหลายคนนะ่ะมารายาทหลัง7วัน10บปันไม่คิดได้ยัโอ้โหแต่ละวันที่ผ่านไปผ่านไปเร็ที่เราอยู่ในครรภ์แม่มันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกับเรื่องของเลือดเนี้อที่เราต้องดูดกินวิตามินโอชาจากท้อมแม่แม่ต้องมีเจริญเติบโตสภาพร่างกายต้องซุดทรงพ่าเราไปแย่งกินตรงทางนี้ เวลาเราจะชดใช้เพื่อจะเมตบุญใี้เกิดขึ้นปางว่าจะอยู่ให้ทันวันที่1 8บแปด่ามัน้มว่ามันจะตกมาครับคุณต้องกกน่าจะประมาณเกือบกืบสิบครับโอ้ยพอพอดีมันมีผ่อนหลายอย่าง เ, ออเราผ่อนจะนี่เยอะ คิดว่าช่วงเวลาที่เดียวก็น่าจะทำกุศลกับพ่อแม่ตลอดเวลาโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็คิดกับพ่อแม่เป็นเค่นะีน้่หน้าน่าสรบใจไม่ใช่เอามาเพิ่งเข้าใจนะคนทุกวันนี้เขารักพ่อแม่เป็นมันเป็นพิธีไปแล้วเนี่ย ผมไม่ได้บวดเพียพิธีนะครับแต่ว่าผมมีความศ<ม>ึกษาการทำศัสริมอยูแ่แล้วแล้วก็คือมีความปรารถนาว่าอยากปวดอยู่แล้วแต่ว่าพอพอดีมันจะไม่ได้เคลียร์งานมันมันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลย<ม>แล้วมันจะทานหาน<ม>เพราะว่ามไม่นั้น<ม>คนอื่นจะเดือดร้อนด้วยมันก็ต้มีจะตามมามแต่แต่ยอมว่าถ้ามีโอกาสยองจะศึกษาธรรมะจะบวดให้นายกว่านี้แต่แหเป็นช่วงที่อยากจะให้ เขาใหญ่ๆจกบวเนี่ยพื่อแทนแม่ไปก่อนก่อนรอบนึครับาีเหตุเหตุปัใจเกื้อนยังไงโยมก็ถือว่าน่าจะบวชให้ยาวนานมากกว่านะประมาณนประมาณนี่ครับอนี้ก็คือมันไม่เที่ยงการอันนี้อันนี้ถ้าลองไปก่อนเทรออกคือเหมือนกับบอกว่าทำการจะไม่ได้ทน้ทนครับเพราะว่ามันก็ก็อาจะคิด คิดว่าน่าจะตั้งใจบวชอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเอามาไม่ได้เตรียมการไม่ได้วางตัวใดเราก็เลยบวชในช่วงนี้ก่อนพยายามดูดให้ให้นานสุนะครับท่านเวลาบวชนี้ใช้งบประมาณเยอะไมไม่ทราเพราะว่าจดัดให้แต่ก็น่าจะใช้มาสองสามหไม่เยอะเพราะว่าส่วนส่วใหญ่เราก็คือการจะวาสิกับการเตรียมให้ จร mm ิงเาเบื่อจริงๆก็ไม่ต้องใช้เงินสักบาทอ๋อก็คือบอกก็คือวันเดือนก็ต้องมีปัจจัยเห็นเห็นคณะของญาติโยมเขาก็ดิแน่นอมอย่างนก็ต้องมีพวกดอกม้ที่เทียนไหวของอุเบชาของพิทธภพอรางเงครับพระีวรมีให้แต่ว่าเนว่าน่าจะไว้พราะมีอนเกิด แต่ว่าคิดว่าอยากจะบวชให้ให้ น, นานยน้แต่ว่าไม่ได้เตรียมการมันกระทัระเบิเอะไรเลยไอ้นักโทษไนะม่ทำที่คุ ย, ยพิสยัยโอ้การทำกรรมเพื่อวิบากพัฒนาขึ้นจริงจรางโอ้กรรมแบน ชอบฟังธรรมะคือการอิบัตก็คือเป็นสภาพที่มันจะต้องลาแล้วจะม่ชอบเราได้แค่อิถ้าเป็นอมาทิ้งทุกอย่างเลยนถ้าเป็นอามาทิ้งทุกอย่างเลยสละชีวิตวอดทันทีและทิ้งทั้งหมดสละหมดเลยนะเป็นอามาสิ่งทั้งหมดสละทิ้งเลยถ้าเป็นอมานะเอาอย่างนี้เอาเลยแล้วเอาไปทามา เพราะชีวิตมันสูญเสียหมดแล้วผมก็คิดอย่างนั้นโวกผมก็ไม่ได้ดีเดินสายตลดเท่ร่แต่ว่าเรายังมีพูดใจบังคับจ่ายหกสิบคนแล้วอยากที่จะให้เคลียร์แล้วเราค่อยปรีตัวไม่ต้องไปเคลียร์เลยมากเลยก็ททำกันเองสะละฟูตนเลจะเป็นอามานถ้าเป็นใจอามานนะคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีสาระเลยแล้วชีวิตทาไปทาไมเพราะว่าตอนแ้วก็จรว่าจะตอบแทนพ่อแม่าสมบูรมนะ โอ้โหแต่อย่างเนี้ยออกเลยให้เคลียร์ให้จบก่อนจบเสร็จค่อยบวชจบเสร็จค่อยบวชบวชครั้งเดียวไปเลยแล้วไปปรึกษาวิธีกับพี่ยังไม่ค่เป็นสุขอะครับเหมือนกับีสาวนั่กับพ่อแม่เหมืนม่เลยเกังวลตรงนั้น ก็เลยจะบวชไปก่อนเพื่ช่วยไม่ช่วยกันได้แบบนี้ที่ไหนเล้วก็ช่วยทำให้เขาได้การลลั่นเความเชื่อแต่ความจริงเนี่ยไมอ่างก็ใช่ไงเราเราถึงพอหรือใจเราจะให้อะเนี้ยเราพอหรือไม่เหตนปัจจัยแคของเราเนี่ยข้อมูลแคนเนี้ยพอหรือตัวเองเรายังช่วยไม่ได้ อบอกเลนั้นอยอยู่บนฐานของความเชื่ออย่างเดียวต้องอยู่บนฐานของความจริงด้วยความจริงด้วยความจริงคืออะไรด้วยต้องต้องต้องต้องปรึกษาผู้รู้จริงๆไม่ใช่ผู้รู้ที่ให้ข้อมูลที่มันเอียงๆตรงนี้สำคัญมากนั่อยู่บนฐานของความเชื่ออยเอง ทําบทถึงเวลาีเยแลจะแล้วจะแจ้งให้ฝังว่าจริงิมันคือนี่ยนีสองสีนาเรื่องแจ้งกันให้ชัดขึ้นว่ะดาสปอ่ะอาเดินเดาร์นบัสเนี่ยสาธุอ่าเดี๋ยวต่ออาเดี๋ยวต่อ ก็สอนที่ไหนมาเล่ห์อสัตยอสาตยอสัตย์อสาตย์อสัตยอสัเดี๋ยวต่อไปเลยนะเดี๋ยวศึกษาพระธรรมกันอีกที ก็คือการที่เราจะทำให้เราจะทำให้กุศลและเจตนาทานคือจะผลิตทานกุศลให้มีกําลังเนะก็ต้องขับเน้นของศรัทธาพร ะ, ระวิรยพร ะ, ระจิตนะแล้วก็สติพร ะ, ระสมาธิปัญญาพระเนี่ยเข้ามาหนุนเนื่องแล้วก็ช่วยเหลือด้วยในการที่กุศลธรรมดาเนี่ย กุศลธรรมดาในการที่จะให้ทานที่เป็นไปกับทานศีลภาวนานี่นะกุศลธรรมดาที่เป็นไปในทานศีลภาวน า, นาแต่เพอยังเป็นศรัท ธ, ธาที่ยังไม่ได้พัฒนานะศรัท ธ, ธาที่เป็นไปในเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยไม่ได้พัฒนาเวลาให้ทานเนี่ยนะหรือว่าบูชาพระรัตนาไตรเป็นต์ตัวเนี้ยที่จะปารบทานกุศล โดยการเอาสีเป็นทานเอาเสียงเป็นทานเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเย็นร้อนแล้วก็เอาท ร, รมารมเป็นทานเนี่ยนะ